ธรรมบทแปลเรื่องที่62เรื่องพระชันนะเถระภาคที่สเรื่องที่สาของวรคที่หกปัณฑิตวัควรนน า, นาพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราลบพระชันนะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะพระชปาปเกมิเตเป็นต้นดังได้สดับมาพระชั น, นะนั้น ดาพระอครส า, าวกทั้งสองว่าเราเมื่อตามเสด็จออกมหาพิเนสกรมกับพระลูกเจ้าของเราทั้งหลายในเวลานั้นไม่ได้เห็นผู้อื่นแม้สักคนเดียวแต่บัดนี้ท่านพวกนี้เที่ยวกล่าวว่าเราชื่อสารีบุตรเราชื่อโมคคลานะพวกเราเป็นอครส า, าวกพระสัสดาทรงสดับข่าวนั้นแต่สํานักภิกษุทั้งหลายแล้ว ทรงสั่งให้หาพระช น, นะเทระมาตรัสสอนแล้วท่านนิ่งในชั่วขณะนั้นเท่านั้นยังกลับไปด่าพระเทระทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นอีกพระสัสดารับสั่งให้หาท่านซึ่งกำลังด่ามาแล้วตรัสสอนอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วตรัสเตือนว่าช น, นะชื่อว่าอักรสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรุษชั้นสูงของเธอเธอจงเสพ จงคบกัลยาณมิตรเห็นป่านนี้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่านะพระเชปาปเกมิเตนะพระเชปุริซาทะเมพระเชทมิเตกเัญาเนพระเชทบปุริสุตเตเมติบุคคลไม่ควครค บ, บบาปมิตรไม่ควครคบบรุษชั้นต่ำควครคบกัลญาณมิตร ควรครบบรุษสูงสุดแก้อัเนื้อความแห่งพระคาถานั้นคนผู้ยินดีในอกุศสลกรรมมีกายะทุจริตเป็นต้นชื่อว่าบาปมิดคนผู้ชักนาในเหตุอันไม่สมควรมีการตัดช่องเป็นต้นก็ดีอันต่างโดยการแสวงหาไม่ควร21อย่างก็ดีชื่อว่าบรุษต่าช้าอันหนึ่งชนสองจพวกนั้นชื่อว่าเป็นทั้งบาปมิร ทั้งบุรุษต่าช้าบุคคลไม่ควรครบคือไม่ควรนั่งใกล้เขาเหล่านั้นฝ่ายชนผู้ผิดตรงกันข้ามชื่อว่าเป็นทั้งกัลยาณมิตรทั้งสัตว์บุรุษบุคคลควรครบคือควรนั่งใกล้ท่านเหล่านั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วฝ่ายพระชนะเถระแม้ได้ฟังพระโอวาทแล้ว ยังด่าขู่พวกภิกษุอยู่อีกเหมือนในก่อนนั่นเองแม้พวกภิกษุก็กราบทูลแด่พระศาษษษสดาอีกพระศาษษษสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พวกเธอจะไม่อาจเพื่อให้ฉันนะสำเนียกได้แต่เมื่อเราป ร, ริณิพานแล้วจึงจกอาจดังนี้แล้วเมื่อท่านพระอานนทุนถามในเวลาโจรจะเสด็จป ร, ริณิพานว่าพระเจ้าข้า อันพวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติในพระชันะเถรร่อย่างไรจึงตรัสบังคับว่าอานน์พวกเธอพึงลงพรมทันแก่ชันะนภิกษุเถิดพระชันะนั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแล้วได้ฟังพรมทันที่พระอานนเ์เถรร่ยกขึ้นแล้วมีทุกข์เสียใจล้มสลบถึงสามครั้งแล้ววิงวอนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าให้กระผมชิบหายเลยดังนี้แล้วบำเพ็ญวัดอยู่โดยชอบต่อการไม่นานนักก็บรรุพระอระหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วดังนี้เรื่องพระชนะเถระ